Im, en, على الله ا ل ا ر ح أ م ن ا ل ر ح ي م ِ ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ص ل ا ت و ا ل س ل ا م ع ل ى ر س و ل ا ل ل ه ا ل ك ر ي م أ م ا ب ع د ا ل ل ه م بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أ َ م ْ س َ ن َ ا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ نَحْيَ وَإِلَيْكَ نُشُورُ ا ل ل ه م أ ن ت ر ب ِّ ي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهديك ووعديك مستطيع أبوؤلك بنيعمتك عليا وأبو بذنبي فغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعته السلام عليكم رحمة الله وبركاته ที่ร่วมนมาสสุบทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเราต้องชุกโคําว่าชุกโเนี่ยแปลว่าสัตว์เดิมนะแปลว่าสัตว์ที่ได้อาหารเล็กๆน้อยๆแต่ให้น้ํำนมเยอะนั่นเรียกว่าชุกสัตว์ที่ได้อาหารเล็กๆน้อยๆแทนที่มันจะผอม กับให้นมเยอะนั่นกเรียกว่าชุกสัตว์เดิมถ้าเอามาใช้กับมนุษย์อะไรก็ตามที่มนุษย์ได้รับจากอัลลอ์ต้องขอบคุณอัลลอ์สุภาณฮูวตาลาววันนี้เราจะทบทวนคุรอ่านตั้งแต่อายาที่87นะครับของซูรออัลเิจรจนกระทั่งถึงเนี่ยอายาสุดท้ายของ สุร ah ัตอ ah, ah, ัลฮิจ ah ah ุอายะที่99นะครับประมาณ13อายะด้วยกันเป็นอายะสั้นๆนะพี่น้องสั้นๆนะครับอายะนี้สุรานี้เรียนนาแล้วเนี่ยตั้งแต่ตะมบอลใช่ไหมครับครับงั้นก็พี่น้องก็ดูดูคุรานตามไปก็แล้วกันนะครับยะซ้มอายะ 87อสิเดอาย่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะครับวันนี้ที่เราที่เราเรียนกันวันนี้เพราะพุงนี้ผมไม่อยู่ปดัดจวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดไหนะจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็กลับพุงนี้ตอนเย็นๆนะครับก็เลยม่กลัวจะไม่ได้สอนตัมเซฟมันสะดดยนะก็เลยเอาวันนี้มาสอนแทนนะ ดูครับนะครับวัล <c> ก <oughs> ็ดอาใจนัก7นิ้วอัลมาธานีวันละก็อ่านนะครับและโดยแน่นอนยิ่งวัละก็ดโดยแน่นอนยิ่งอาใจนักเราได้ประทานแก่มูฮัมมัดัลมาธานีว่า7 ซึ่งทั้งเจ็ดมินัลมสซานีมสซานีแปลว่าที่ถูกอ่านซ้ำไปซ้ำ ม, มาก็าอ่านในนามาฏเนี่ยสุรฟาติหาเนี่ยเราอ่านในนามาฏซ้ำไปซ้ำ ม, มาวันหนึ่งกี่ครั้งนามาฏฟารดูเนี่ยทั้งหมด17เรากออ็อ่านถ้ารวมทั้งนามาฏสุนนะมุอักาดาด้วยอีกเราก็อ่านตัวเป็น29 ย9สิบ้าครั้งต่อวันน่ะที่เราอ่านสุรฟะตีห้าเนี่ยซ้ไปซ้ำมาวัลกูรอานในลาฮิมแล้วก็อัลกูรอานอันยิ่งใหญ่อายนี้ต้องการจะบอกอย่างนี้คือคนที่อธิบายว่าซามะอัมมินัลมาซานีกบสฮาบะห์นบีอธิบายว่าเป็นสุราะตหาเิรอหนึ่งมีใครบ้างไซยนาอุมาร ท่าน阿里ท่านอิบนีมัสัเป็นสัฮาบะท่านนบีอธิบายว่าเจ็ดอายะที่อ่านซ้าไปซ้า ม, มาหมายถึงสุรฟาติฮะสุรฟาติฮมีทั้งหมดเจ็ดอายะอลอลองนับดูสิเจ็ดอายะไหมเจแต่ไม่มาอยู่เจดอายะด้วยกันอลัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายอย่างนี้คือนี่ยอามัดคืออลัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนนะ คือคนนี่ที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะถ้าเข้าใจกูอ่านอัจฉรินี้เนี่ยเขาจะสง่างามมากเลยคือเนี่ยอัลลอฮ์ AH ให้กับมนุษย์เนี่ยให้กับคนฝั่งคนนี้กับให้กับคนฝั่งคนูน้นให้ไม่เหมือนกันนะให้ออกซิเจนให้อากาศให้แผ่นดินให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยสายตาทั้งหมดนั่นแหละ แต่มันมีเนื้ออมัดเนื้อมัดมีสองอย่างเนื้ออมัตที่มองเห็นด้วยตากับเนืยออมัตที่มองไม่เห็นด้วยสายตาอัลลอฮฺบอกกับนบีมุฮัมมัดบอกว่าชาวบ้านนบีบางคนเนี่ยนะเวลาไปเห็นคนมุชริกีนคนเยฮูดีนอสรลนีพวกมายูซีพวกมุชริกีนเนี่ยเห็นก็มีวัตถุ เห็นก็มีบ้านใหญ่ๆเห็นก็มีรถคันงามๆเห็นก็มีเพชรมีพลอยมีอาหารการกินสมบูรณ์เนี่ยบางทีมันก็นึกเอ้ยทำไมอัลลอฮฺให้กับคนฝั่งนู้นเยอะเหลือเกินแต่คนฝั่งนี้เนี่ยไม่ให้ให้เท่าไร อ, อย่างเช่นอย่างใครนะทันบีลานเนี่ยดูที่อัลลอฮฺให้บีลานอ่ะรอผิวดาด้วยจนด้วยแล้วก็ถูกทรมานด้วย เหมือนกับเป็นการมองว่าอลัลลอฮ์นี่ไม่ยุติธรรมนะให้คนฝังกันนู้นเยอะให้คนฝังกั น, นี้ให้ให้น้อยมากก็ประทานอัลกุรอานอายาณีลงมาอธิบายให้เข้าใจว่าอย่างนี้เนี่ยอมามัดจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะเนี่ยอมามัตที่เห็นด้วยตากับเนี่ยอมามัดที่มองไม่เห็นด้วยตาเนียอมัตที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยความโปรดปรานที่อลัลลอฮ์ให้เรามองเห็นด้วยตาเช่นที่ดินรถบ้าน เนื้อมะอย่างนี้เป็นเนื้อธรรมะชั่วคราวท่า น, นบูมินต้องนึกได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ยังมีเนื้อธรรมะอีกอย่างดึงซึ่งคนฝั่งคนนู้นไม่ได้แต่คนฝั่งคนนี้ได้ก็คือเนี้อธรมะนี่ไงที่ได้อ่านสุรฟาติฮะทุกวันวันหนึ่งกี่ครั้งถ้ารวมทั้งนามาซุนนะโมอาคดาด้วยก็ยี่สิบสิเท่าไรนะยี่สบยีอ่ายี่ ยีิบเครั้งต่อวันแล้วก็วันกุรอานในลอริมและอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่หนึ่งสุราฟาติฮานมาที่เรานามาทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยดุลยาชั่วคราวนะไม่ใช่อะอย่างเรานมาซูบอ์เกอรมอตะกี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเนี่ยอัมมาที่เอาไปใช้ในโลกอาคีรอได้กลับบ้านที่มีอยู่เราก็มีเขาก็มี แต่นี่ไอ้เขาพวกคนฝรั่งโน้นอาจจะมีมากกว่าเราก็ได้แต่ต้องนึกมุมินต้องนึกโอ้โหนั่นมันเนี่ยอมาตชั่วขาวเดี๋ยวอลัลลอฮ์ให้มาอยู่เขาสิบปีสิบห้ปีมันก็หมดพอดุลยานี่หมดเนี่ยอมาตมันก็หมดแต่การนมาตที่อ่านสุรฟาติฮะแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานหาความรู้เป็นทางนําที่มาจากอัลลอฮ์นั้นมันเอาไปใช้ในโลกอาคิเริรได้ด้วยนี่อันนี้อมาต ท่านมุ่มินจะต้องมองอะไรลึกมุ่มินต้องมองมองปัจจัยดุนยานี่จะเป็นมากหรือน้อยก็าตามชั่วคราวได้ก็ได้ก็ได้ไมก็ได้แต่ต้องนึกชั่วคราวที่ดินอยู่ก็ได้ไม่นานเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนมือไปอยู่คนอื่นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอ์ส่งผ่านนาบีมูฮัมมัดซึ่งคนฟังกนูนมมองนึกไม่ออกนึกไม่ถึงก็คือ อัลอิสลามอัลกุรอานละซุรอฟาติฮะที่อ่านกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเอา้าอธิบายนิดนึงนมาฎวันหนึ่งห้าเวลากับนมาฎอะไรนะเราว่าติบศุนยนะ์หนาหมูอักก์ก็ได้วันศุร์องเราก็อัดอลลอฮ์สร้างบ้านให้ในสวนสวรรค์หมดอายุป่าไม่หมดนะ่ะเอ้านมาฎอัลลอฮ์นมาฎวันหนึ่งห้าเวลาเป็นรัศมีบนใบหน้าและเป็นรัศมีที่กุบด แล้วก็ฟื้นขึ้นมาในวันเกียร์มาเป็นรัศมีทรงทางไปพบอัลลอฮ์สุภาอูบะต า, าลาคนฝักนู้นไม่มีสิทธิ์เลยนี่ไงเขาเรียกวันนี้อมามัดอันยิ่งใหญ่เนี่ยอมามัตที่มองไม่เห็นด้วยสายตาแต่วันนี้อมามัตนี้เป็นเนี่ยอมามัดที่อโอลูอักบัะซึ่งอัลลอฮ์รับรองไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับตกลงวันนี้อมามัตมีสองอย่างนะเนี่ยอมามัตที่มองเห็นด้วยตากอนเนี้ยอมามัดที่มองไม่เห็นด้วยสายตา ท่านคนฝั่ง น, นี้ต้องนึกต้องนึกท่านคนที่ไม่เรียนกุรอานเนี่ยคนที่ไม่เรียนซุนานะนบีค่าทุนอ่ะเป็นมุสลิมเหมือนชายชีวิตเหมือนคนฝั่งกนนู้นนะพ่อไม่ได้เรียนอ่ะพ่อไม่เรียนก็ไม่รู้พ่อไม่รู้ก็อิมานอ่อนใช่ไหมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาอธิบายต่ออีกนิดหนึ่งซาบะอัมมินัลมาซานีเนี่ยเจ็ดอายะของซุลฟาติฮ่าเนี่ย สามอายะครึ่งนั้นเป็นของอัลลอฮ์อีกสามอายะครึ่งนั้นเป็นของมนุษย์เอาลองลองๆเราดูความหมายดูสิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อ บ, บิลลาฮลามีนบรรดาการสังเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ใครพรออ่านอายะนี้ปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์พูดเลยเบาของฉันคนนี้กำลังชมฉัน พระอานอัลลอฮ์ฮามานีรยรอฮีมอัลลอ์พูดว่าบบาคนนี้กำลังสรรเสริญฉันมาลิกิยาหมิดดีนพระอ่านจบอัลลอ์พูดบอกว่าบบาคนนี้ของฉันกำลังสแสดงเอ่ยถึงความยิ่งใหญ่ของฉัน Allah, ตอัลลอฮ์ตอบเลยตอบเลยตอบเลยฉะนั้นเนี่ยอมัดเหล่านี้คนฝั่งคนนู้นไม่รู้จักเมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่ตอนทีเอ็มทวี MTV. มีคนมาจากบุรีรัมเป็นผู้หญิงอายุ40กว่าแล้วแต่งผ้าคุมที่หยาบมาเขาบอกเขาดูทีวีทีเอ็มทีวีเนี่ยดูมาสามเดือนแล้วดูแล้วก็ชอบรับอิสลามรับอิสลามแล้วก็นั่งรถมาเนี่ยมาที่สันติอโศกเขามากันรถสามคัน มาเยี่ยมสัติอโซกเขาก็ปรีกตัวมามาเยี่ยมเราที่นี่ครับอิสลามแต่ยังนำ้ำหมานไม่เป็นอ่ะยังว่าอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่แต่งชุดแล้วอัลลอฮฺอักบารนี่ผลจากการอัลลอฮ์นะการดาว่าศาสนาเนี่ยอัลลอฮฺอักบารมีผลและบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากเลยอัลลอฮ์ยับคนเดียวนะคุ้มฆ่าแล้วมารู้จกักอัลลอฮ์คนเดียวนะอัลลอฮฺอักบารฉะนั้น นบีเลสนะั่งอ่ะให้เราเลยนะให้ให้เผยแพร่ศาสนาให้ทำตัวให้ดีนะครับให้เป็นบทเรียนเป็นความรู้นะครับกับคนอื่นเอาต่อไปอายาที่88ดสิละธรมุดด้านในในกะอิลามามัตตานบีอัลวาฮฺจัมมินหุมวลา و ل ันอ ز ลัยฮ ه ม วัฟซ์จน ا ح ักะ للمؤمنين ลาตมุด ع ันนายในกะอายานี้พี่น้องดีมากเลยนะลาตมุดดั ن นายในกะแปลว่าจงอย่ามองนะจงอย่ามองหรือว่าอย่าอะไรนะอย่าทอดสายตาทั้งสองข้างของท่านของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดเอ้ย อย่าทอดสายตาของท่านเนี่ยจ้องมองไปยังอิลามามั ต, ตานาบิฮีชนชั้นต่างๆอัจวาจันแปบลบว่าชนชันชนช้นต่างๆชนชั้นต่างๆอธิบายยังไงนี่นะพวกยาฮูดีนอสรรนีพวกมุชริกินบางกลุ่มนะไม่ใช่ทุกคนนะอัลลฮ์ให้อะไรมามา ต, ตานาบิฮีให้พวกเขา ร่าเริงให้พวกเขามีความสุขอายาฮูดีอย่างน้อยเจ็ดกลุ่มที่คุมเรื่องน้ํามันทั้งหมดวันนี้อยาฮูดีเนี่ยนะซื้อน้ํามันจากซาอุดีเนี่ยจะซื้อกแบบไหนเราก็ไม่รู้เป็นหลอกทําสัญญากับแบบไหนก็ไม่รู้แหละทำสัญญายี่สิบปีล่วงหน้าทําถูกที่ไหนพิษใช่ไหมล่ะเอา้ากดหลออขายกันมาหล่อซื้อกันมาวันนี้คนร่ำความ ร, ร่ำรวยส่วนหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มเจ็ดกลุ่มนี้ ถามว่าทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์ให้แล้วว่าวางแผนเองเอาลลลอ์ Allah ให้กัแลวกันเพราะกุอ่านว่าั้นะมามตตะนาบีเราได้ให้พวกเขามีความสนุกร่าเริง ก, กุกิคนอาสวาจันมินฮุบบามกลุ่มเท่านั้นเองทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยร่ำรวยเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดอย่าไปมองความสุขชั่วแล่นของพวกเขา เพราะเนื้อ amat ที่เขาได้รับนั้นอธิบายแล้วมีสองอย่างใช่ไหมเนื้อ amat ด, ดุ n y ากับเนื้อ amat akhirat เนื้อ amat dunya ดดก็เห็นแป๊แบๆแต่ต้องรู้ด้วยว่าเนื้อ amat เหล่านี้มีวันหมดอายุส่วนเนื้อ amat ที่เอาล่อให้กับมุฮัมมัดและให้กับผู้ศรัทธาต่อรอหนะ้าคือกุรานและสุรฟะตีฮะอันนี้เป็นเนื้อ amat ที่มีไปตลอดชีวิตเลยไม่มีวันหมดอายุฉะนั้นมุฮัมมัดอย่ามอง ก็บอกพวกเราเือนกันไนเวลาคนมุชิลิกินคนกาเฟรินในเมืองไทยเนี่ยที่มีตำแหน่งใหญ่ๆมีนู่นมีนี่เยอะๆเราต้องนึกนี่เนี่ยอามาัดชั่วคราวไอเราเนะนี่ยมีอเนียมัดนมาในมัสยิดใครทำมีแค่สองพันล้านเองวะเนี่ยคนตั้งเจ็ดพันล้านคนที่มองอิสลามด้วยสายตาอันบริสุทธิ์และเห็นอะไรทะลุ ป, ปูปวงมีกี่คนอย่างนี้เป็นต้อนอ้าวนะ ล l l a h สั่งนบีมุฮัมมัดเ อ, อ๋ยอย่ามองอย่าอยากได้นะครับมองไปอย่างไรนะทรัพย์สมบัติของชนชั้นต่างๆบางกลุ่มบางคนของพวกเขาที่เราได้ประทานความสุขความรุ่นเริงให้กับพวกเขาอย่าไปมองอย่าไปสนใจมองนะํามองได้อย่าไปหวังอยากจะได้เหมือนเขาเพราะพวกเขาได้รับเนื้อมัดกุ้ม กิเนะอมามัดชั่วคราวนะวัดาตาฮจันและอย่าได้เศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอธิบายอย่างนี้น บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะเป็นห่วงคนนาเอาอิสลามมาเนี่ยซึ่งเป็นเนออามัดอันยิ่งใหญ่ที่เอาไปใช้ในโลกหลังตายได้อยู่ในกูโบก็เอาไปใช้ได้เนี่ยคนฝั่งก็นุ้นไม่รับ พอไม่รับนบีไปไงเสียใจพอเสียใจอัลลอ์ก็สั่งนบีลาตะฮซันดูน o t บีแซ d ไม่ต้องไปเสียใจคนฟังกันนี้ก็เหมือนกันเป็นห่วงคนนะเยอะมาเยอะเราเห็นญาติพี่น้องเราไม่เอ า, าศาสนาเราก็ห่วงไอห่วงอย่างนี้ที่เป็นมุสลิมด้วยกันเราก็ต้องไปเตือนเขาไปอธิบายอิสลามให้เขาไปเชิญชวนเขาไอเรื่องดีไหมดี แต่คนฝั่งนูน้นเราก็อยากจะให้เขามาอยู่ฝั่งนี้เยอะๆเขาก็ได้มีอะไรนะมีอีมานเป็นคนที่มีาศาสนาตายแล้วจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาไม่เอาทําไงก็อย่าไปเสียใจแทนเขานะนี่อัลลอฮ์สั่งนะแต่วะฟิดวดานะฮะกาลิลมุมินินแต่กับผู้ที่มุมินด้วยกัน ต้องอะไรนะต้องโน้มปีกคือมีความอ่อนโยนเมตตาต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่เอาล้อสั่มนบีมุฮัมมัดนะว่านาบีคนมุมินด้วยกันคนฝังคนนี้ด้วยกันเนี่ยจะต้องแสดงมารยาทที่ดีถึงจะจนไม่มีปัญหาเพราะความจนนั้นเอาล้อให้รวยเมื่อไหร่ก็ได้ประเป็นปัจจัยชั่วคราว เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งนบีมุฮัมมัดแล้วก็สั่งคนที่อ่านคุรานอาย่านี้ทุกคนว่าเราเห็นมุมินด้วยการพูดสาทาต่ออัลลอฮ์ด้วยการอย่าตะกาบุตรอย่าเย่อหยิง่งอย่าจองหองแต่ให้ทำไรนะให้นอบน้อมถ่อมตนให้ทักกันให้ยิ้มกันให้คุยกันให้เลี้ยงอาหารกันให้ไปมาหาสู่กันอัลลอฮ์สั่งนบีมุฮัมมัด ถึงแม้ว่าเราจะไ ม, ม่ได้อยู่กับนบนีในวันนั้นแต่เราอ่านคุรานอัจยะนี้เราก็ต้องนําเอาความรู้ตรงนี้มาปฏิบัติพี่น้องโอ้ห้ามโดนเรื่อยยิ่งใหญ่แล้วเกิดสาเหตุที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานอัยะนี้ลงมาเป็นอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีสินค้ามีของนะมีของมีมีเนย มีเสื้อผ้ามีอาหารการกินแล้วก็มีเนื้อสัตว์มาจากต่างต่างต่างประเทศเอาเข้ามาและเอามาให้กับใครรือไเอามาให้กับคนที่มาใช่มุสลิมพวกอะไรบ้างพวกกูรอ伊斯แล้วก็พวกนาดีรมาวันเดียวเนโอ้โหเข้าของมาเต็มไปหมดเลยเอามาแจกแจกกับกลุ่มพวกเขาเองน่ะคนคนฝั่งโน้นด้วยกัน บรรดาสวาบนานบีเห็นก็นึกก็ลอยถ้าสินค้าเหล่านี้อาหารเหล่านี้มาอยู่กับพวกเรานะก็คิดแบบเรานี่แหละเราจะได้เข้มแข็งเราจะได้เอาทรัพย์สมบัติเ่านั่นเอาเงินนั่นเอาอาหารานั้นมาบริโภคมากินเราจะได้แข็งแรงจะได้ทำงานาศาสนาต่อไปนึกอย่างนี้ อ, อัอลลอฮ์อยู่ข้างบ น, นรู้หมดนะ่ะ ก็ประทานอันกร อ, นอ่านอายานีมาไงแล้วแต่มุดดันนาอันไก็อิละมามั ต, ตะนาบิฮิอจาจุอาจัมินหุบทั้นคนจะคิดมองปัจจัยดุนยาที่อยู่ในมือของคนอื่นเนี่ยมองผ่านไปแบบสง่างามต้องเข้าใจอายานีถ้าไม่เข้าใจอายานีนะก็ปูดทัวงกวาจะตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องเข้าต้องเข้าใจคุรานนะครุรานที่สอนดี สรุปอีกครั้งหนึ่งปัจจัยดุลยามีวันหมดอายุไหมหมดปัจจัยดุลญยญ์บ้านที่ดินอาหารการกินเสื้อผ้าแต่ว่าสุรฟาร์ติฮาที่เรานมาสกาเวลาหมดอายุไหมไม่หมดคุรานที่เราอ่านได้หมดอายุไหมไม่หมดอายุเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ถึงจะมองปัจจัยดุลยาผ่านตาไปแบบสง่างามนะครับเ้าต่อมาอาญาที่เท่าไหร่นะ อายาที่แปบเก้าวักุลอินนีอาณันอาดีรุลโมบินวักุลแปว่ามุฮัมมัดเ อ, อจงประกาศแทนฉันนั่นแหละเรื่องของท่านเนี่ยที่อัลลอ์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาทำอะไร <c oughs> แท้จริงอินนีอาณะแท้จริงฉันฉันพูดซ้ำกันถึงสองครั้ง แท้จริงฉันฉันเป็นอะไรครับนาซีรุนเป็นผู้ตักเตือนแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนตักเตือนเรื่องอะไรอ่ะนาซีรุลลินนาตักเตือนมนุษย์มินอาดาบินอลิมไม่ให้เข้าไปอยู่ในไฟนรก<อ>เพราะหลายคนไม่เชื่อว่าหลังตายเนี่ยมีการลงโทษ คนส่วนใหญ่มนุษย์ไม่เชื่อนะ่ะแลกว่าตายแล้วจบไนงะใช่ไหมนะ่ะตายแล้วจบมันไม่ใช่ตายแล้วมันไม่จบตายแล้วในหัตติสอธิบายอย่างนี้คนเนี่ยตอนอยู่บนดุงยาเนี่ยกาลังหลับกําลังเพลินวัยดามาตูอินตาบาหูเวลาตายเพิ่งจะตื่นอ่าลองตายดูสิอยู่ในกุโบเนีย่ยเสียดายนะ่าดูแล้ว โ, โฮอยู่อย่างนี้คุณอ่านสุรเราะย่าได้ใช่ไหมกับสุรสนี้นะ่ะ รูปมายาวัดดุลลดีนะกฟารูแล้วกานูมุสลิมีนคนที่นอนอยู่ในสุสานจะอยู่ในโกดังหรือเผาไปแล้วก็ตามวิญญาณของเขาบวนวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่พันครั้งยาอัลลอถ์าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีตื่นนอย่างเพิ่งตื่นตอนนี้ยังไม่ตื่นกํลาลังหลับอยู่นี่ กำลังนอนฝันอยู่ฝันว่ามีบ้านฝันว่ามีตึกฝันว่ามีนูน่นมีนี่ฝันไม่เถอะถูกหลอกทั้งนั้นแหละฉะนั้นคนที่ไม่ฝันก็คือคนที่เนี่ยเรียนคุรานนามัยครบห้าเวลาแล้วก็ดูแลงานาศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลตัวเองให้มีาศาสนานี่แหละคนนี้ไม่ฝันเรื่องจริงๆแต่มั้นอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาสอนเรื่องนี้อนานันนาซีฉันนี้เป็นผู้ใดนะ ตเตือนอันกระจาบแจ้งพออลัลลอฮฺบอกกับนบีให้นบีประกาศว่าฉันนี่นะเป็นนาีษนะเป็นคนเตือนคนนะเป็นผู้ตักเตือนคนนะมาสอนคนนะคนที่ต่อต้านมีไหมเยอะเลยพูดว่าไงมูฮัมหมัดมัดจญูนอา้าวเป็นคนบ้ามูฮัมหมัดเป็นนักสยายศาสตร์มูฮัมหมัดเป็นมายากลมูฮัมหมัดเป็นหมอดู อัลลอฮ์บอกว่าเป็นนารีไม่เชื่ออัลลอ์แต่ว่าที่ชาวบ้านเขาตั้งชื่อน่ะอัลลอฮ์เห็นไหมมัจนูนกาฮินซาฮิตอธิบายยังไงกาฮินหมายถึงพวกหมอดูทำนายทายทักแล้วก็พวกสายศาสตร์เป็นคนบ้า น, นี่ชาวบ้านตั้งหมดเลยนะแต่ที่อัลลอ์ตั้งนารีรุนมุฮัมมัดเป็นผู้ตักเตือนคนมาสอนคนไม่ใช่เป็นคนบ้า เอาวันนี้ก็เหมือนกันคนที่เอาสุนัขนบีมาใชา้ก็ทุกด่าเป็นนั่นบ้างเป็นนี้นี่ชาวบ้านตั้งนะพราะไปใต้มาคนใต้เขาบอกว่าบางส่วนใหญ่นะเขาก็ติดทีวีกันนะนะได้ความรู้จากทีวีเนี่ยเยอะมากเลยได้นามาดเป็นได้อาบนา้ํานมาดเป็นได้รู้จักสุนัขท่านนาบีเมื่อก่อนนี่ก็ออาประเพณีปฏิบัติมาใชา้กันทั้งนั้นนั่นแหละ เพราะว่าไอ้สื่อความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์มันยังไม่ถึงบ้านเา้าวันนี้พอไปถึงแล้วไอ้คนที่เสียผลประโยชน์มันก็ว่าไอ้ลูกเสดดาวเทียมไอ้ลูกิสดดาลดาวเทียมเพราะลูกิสดไม่มีครูอัลลอ์นี่ดาดาลทุชมไม่ใช่ชมนะดาฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์แต่งตั้งมาท่านนี่นะประกาศเลยนะว่าอนานันนารีฉันเป็นผู้ตักเตือนคน เตือนคนให้รู้ว่าอาลัลลอฮ์ตายแล้วมีการลงโทษนะถ้าคุณทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณทําอย่างนี้อย่างนี้คุณจะได้รางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ไม่เชื่ อ, ม, อมุมมัดเป็นหมอบ้าง ม, มุมมัดเป็นผีบ้าง ม, มุมมัดเป็นคนบ้าบ้างนี่ชาว บ, บ้านต่างถ้าพวกเราจะถูกตั้งแต่งตั้งชื่อฉายาใหม่ๆได้ไหมก็ปล่อยไปไทยชนชา้นเฉยๆไม่มีปัญหา ถูกด่ากนัน น, า น, สาส น, านนั้นแหละคนทำงานศาสนานะนะเอาต่อมาครับ <c oughs> นบีอธิบายอย่างนี้นบีพูดเองนะท่านนบีมูซาี่คำอธิบายฮะดษนะของอาญานี <c oughs> อบีมูซาเป็นสหายนบีนะครับได้เล่าบอกว่านบีพูดว่าอย่างนี้อินนามัสลีว่ามาซาละมาบะอาซนีอัลลอฮฺอูบิฮิกะมาซาละรูจิน กามส า, าะรอดยูลินอาตาเกามาฮูฉันนี่นะเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยไปเห็นศัตรูศัตรูเขายกยกทัพมาต้องการจะมาเล่นงานประเทศแล้วมีคนมาบอกคุณระวังนะ ทหารยกทัพมาเล่นงานคุณมาตูโจมคุณมุฮัมมัดก็มาในฐานะนี้แหละมาบอกว่ามีศัตรูมาจะมาเล่นงานคุณนะแต่ท่านใครที่เชื่อชายคนนี้เขาก็ห น, นีออกจากบ้านก่อนใช่ไหมก็ไปหลบหลบหาที่หลบภัยไว้ก่อนเวนลาศัตรูมาจริงมาทำลายเขาปลอดภยัยส่วนไอ้คนที่ไม่เชื่อคนที่มาแจ้งข่าวนะศัตรูมาแล้วนะ กูไม่เชื่อมึงหรอกก็อยู่ไปดินอนอยู่ในบ้านศัตรูมะเล่นงานจับตัวบ้างฆ่าบ้างยึดบ้างอะไรบ้างแบบเดียวกันฉค่นั้นนบีมุฮัมมัดอธิบายสาธิตง่ายๆฉันนั้นเป็นคนเตือนคนนามาสอนคุณนถ้าคุณเชื่อคุณปลอดภยัยคุณไม่เชื่อคุณไม่ปลอดภยัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับอายาที่เกสิบ กามอันซาลนาอัลัลมุกตาซมินกามอันซาลนาอัลัลมุกตาซมินดังที่เราได้ส่งอันซาลนาแปลว่าเราได้ส่งส่งอะไรใช่ไหมส่งการลงโทษนี่อัลลอ์นะเล่าเองนะ โทษของคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยมีไหมมีที่อลัลลอฮ์ลงโทษมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคือเพราะไม่เอาศาสนาเพราะหันหลังให้ศาสนาอาลัลลอฮ์ลงโทษหมดอนะ่ะคำว่าอัลซันนาเนี่ยนะเป็นแฟนมาดีเป็น i, เป็นพาสเทน tense, แปลว่าเราได้ประทานลงมาแล้วแต่อลุลามะได้อธิบายดีนะคำว่าอัลซันนาเนี่ยใช้ทางพาสเทน แล้วก็ชายทั้งเนี่ยปัจจุบันนี้ด้วยฉะนั้นคนที่ไม่เอาศาสนานั้นอาสาบของเขาการทรมายของเขาจะลงมาหาเขาบ่อยๆเห็นไหมอา้าวคนไม่เอาศาสนายกตัวอย่างง่ายๆเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวแก้ปัญหาไม่เป็นใช่ไหมใช่เอาแก้ไม่เป็นทำงาปนปวดหัวทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้ใชไมเมย์ฉันเป็นอย่างนี้ ทำไมหลานเป็นอย่างนี้ทำไมริมบ้านเป็นอย่างนี้ก็อัลลอฮ์ทดสอบให้ให้มีปัญหาให้ศาสนามาแก้แต่ไม่เอาศาสนาก็ปวดหัวไปสินี่นกามาอัลจาลนาเหมือนกับที่เราได้ประทานหรือลงโทษบนพวกเขาเหล่านั้นอะไรครับอัลลมุกตาสีมินผู้ที่สาบาน กสัมกสัมเป็นวสาบานสาบานอะไรสาบานที่จะขัดขวางการเผยแพ่ศาสนาของนบีมุฮัมมัดมีทั้งหมด17กลุ่มโอ้ตัฟซิดอธิบายดีนะนะ <c oughs> มีทั้งหมด17กลุ่มนะที่รวมตัวกันสาบานว่าเราไม่เอามุฮัมมัดมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นนาซี มูฮัมหมัดไม่ใช่เป็นนักผู้สอนตักเตือนมูฮัมหมัดเป็นหมอผีมูฮัมหมัดเป็นบ้ามูฮัมหมัดเป็นสายศาสติก็ เ, เลยต่อต้านนาบีมูฮัมหมัดยิ่งต่อต้านมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ก็ลงโทษเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีทั้งหมดสิเจ็ดกลุม่มมีใครบ้างพี่น้องอัลลอฮฺอักบัตสิบเจ็ดกลุ่มนี่นะพวกญาตินบีพวกพวกุเรสนะ์น่ะสิบกลุม่ม ญาตินาบีพวกกูริชด้วยกันนะ่ะ พ, ะพูดแต่พวกเราอย่าก็อะไรนะสกุลพวกเราเนี่ยมั้งมีมีผองสุภาพอยู่เป็นสุขมนันอโชคอะไรพวกนี้ก็ส่วนยาแก้แอนตี้มูฮัมมัดกันหมดนะใช่ไหมะนะพวกกเริชมีอยู่สิบกลุ่มแล้วก็พวกบานีคูไซมั้มีอีกกลุ่มนะมีอีกประมาณเจ็ดเจ็ดกลุ่ ม, ม, มพวกนี้รวมตัวกันสาบานว่าเราจะไม่เอาคําสอนของมูฮัมมัดมาประกาศรายหนะ้ามากํากับชีวิต พู้ที่กษาบานกันจงกระทั่งนบีต้องหนีออกจาก น, นครมักกะไปอยู่ที่นครมดีนะอย่างนี้เป็นต้นน่ะตรงนี้ใช่ไหมล่ะคนเหล่านี้น่ะอัลลอฮ์รู้มันรู้หมดเลยเชื่ออะไรเชื่ออะไรเชื่ออะไรเชื่ออะไรออะไ ร, รู้หมดแ ล, อลอกก้วเลาก็เล่นงานโอ้โหเล่นงานรู้ไหมมิมีอยู่มันห้าคนด้วยกันมีคนห้าคนนะที่ที่เป็นคนที่ตัวแสบแสบนี่ะนะ มีใครบ้างหนึ่งมีวาลิดคนหนึ่งสองอั ส, ส์อาดี4อัสวัตอัสวัตมีสองคนนะ่ะอัสวัตนี่มีอยู่5คนนี่เป็นหัวหน้าหัวโจกเลยนะที่จัดประชุมในรัฐสภาวางแผนที่จะทําลายนาบีทําแหล่ได้ไม่ขัดขวางไม่เชื่อคําสอนของมุฮัมมัดแล้วก็ใส่ได้ว่ามุฮัมมัดเป็นเป็นกาฮินเป็นซาเฮสเป็นอะไรนะ เป็นมัจจนุนเป็นคนบ้านี่ใช่ไหมดูนะวัลลัสลงโทษปุ้นีตายยังไงเขาว่าตายน้ำตื้นวาลีศเนี่ยธนูธนูมาเกี่ยวผ้าแกะยังไงไม่รู้มาถูกเท้าตายพอถูกเท้าเนี่ยตามก บ, บวมบวมบวอมอะไรเป็นทายฟอยตายอีกคนนึงชื่ออาสไอ้นั่นน้ำตามที่เท้า ที่อุ้งเท้าเนี่ยบวมตายอีกคนหนึ่งชื่ออาดีเจ็บปากแบบร้อนในตายดูสิตายแบบง่ายมันจะตายแบบดีนะตาแบบทรมานสุดๆนะและอีกคนหนึ่งชื่ออสวัรนั่งนั่งอยู่โคนโคนต้นไม้ไม้มาร่วงลงมาถูกศีะนิดน้อยตายอีกคนหนึ่งตาบอดตายตายน้าตื้นหมดเลย อารวไปถึงฟาโรที่ต่อต้านคําสอนของนบีมูฮาตายน้าตื้นหรือน้ำลึกตายในยทะเลผมไปอ่านหนังสือพบใหม่ฟาโรทําไมต้องไปตายที่ท้องทะเลฟาโรเนี่ยก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยฟาโรสร้างปราสาทสร้างปราสาทสวยมากเลยใหญ่มากเลยนะ หน้าประสาทหน้าบ้านเขานะเขียนคำว่าบิสมิลลาด้วยพระนามของอัลลอ์ก่อนที่จะประกาศตัวเป็นเป็นพระเจ้านะและต่อมาพอสร้างวางเสร็จก็ประกาศตัวแทนยิ่งใหญ่เท่าอัลลอ์เลยนะอัลลอ์ก็ส่งนบีมูซามามาม า, านำหน้าเนี่ยส่งรัหมามากบมองรอัหมาเป็นมึงมาขวางกูยิ่งต่อสู้กันใหญ่เสร็จแล้ว น บ, บีมูซาขอาอธิษฐานตลอดอย่ารอทําลายฟาโร่เนี่สู้กันมาสามสิบปีแล้วไงทำลายหน่อยทำลายที่นหนทำลายในบ้านมาเลยในพระราชวังเลยเอลัลลอฮ์ให้ยิบรีนมาบอกว่าทําลายในพระราชวังไม่ได้เพราะฉันให้เกียรติกับชื่อของฉันเกียรติบัมบิสมิด ล, ละฉันให้เกียรติกับชื่อของฉัน ให้มันปลอดภัยไปอยู่ในบ้ามันอยู่สบายไปเถอะแค่นิดเดียวเองแล้วให้ตายที่ไหนอ่ะทะเลเพราะที่นั่นบิสมิลลาห์ไม่มีแล้วเซลแรกขอมูซาก็นี่ทะเลกันโดยท้งหนีข้ามทะเลใช่ไหมแล้วก็ฟาโร่ก็มาทะเลอัลลอฮ์ให้จมน้ำตายตรงนั้นนี่เป็นข้อเตือนใจดีๆท่านวันนี้บ้านใครก็ตามถ้ามีอัลลอฮ์เขาอธิบายอย่างนี้นะ นี่อัลลอฮ์น่ะแปะอยู่ที่หน้าบ้านยังปลอดภัยถ้าแปะอยู่ในใจอยปลอดภัยไม่ปลอดภัยทะนั้นอัลิสมิลล่าเอาไว้ในใจให้หมดเอาอิมานไว้ในใจเอาอัลลอฮ์ไว้ในใจแล้วก็แสดงตัวออกมาฉันเป็นบ่าวอัลลอฮ์ทำงานของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์อัลลคุ้มครองหมดฉ่นั้นไอ้ออดมือกินมือเนี่ยมันของธรรมดาชีวิตอ่านบิมุมาดเคยอดไหมอดเราอดไหมอัลลอมาดอนมา วันจันวัน <Vine> บ <to the valley> ุญห <suspenseful> ัดเราก็ถือส้นอดทำได้เลยละไม่มีปัญหาฉะนั้นไอ้เรื่องจนเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเข้าใจอิสลามเปล่าเข้าใจเข้าใจเนี่ยหมายของของอิสลามหรือเปล่าแต่งี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับกามอันจัลนาอัลัลมุกตาซมีเราได้สมเราได้ลงโทษมาบนพวกเขาผู้สาบาน มีทั้งหมด17กลุ่มนะที่จะขัดขวางการดะว่าการตัปลีของน บ, บีมุฮัมมัดบ้างก็อธิบายอย่างนี้มุกตาเซมีนอธิบายอย่างนี้ผู้ที่แบ่งแยกอ่าผู้ที่แบ่งแยกมีมสองความหมายนะความหมายหนึ่งแปลว่าผู้สาบาลสาบาลรวมตัวกันขัดขวางไม่ให้มุฮัมมัดเผยแพร่าศาสนา วันนี้ก็เหมือนกันคนที่ขวางซุนนะระวังระวังระวังคนที่เอาซุนนามาสอนและไม่ให้ซุนนาเข้าบ้านไม่ให้ซุนนาเข้ามัสยิดระวังระวังใช่ไหมอัลลอฮ์เอาหมดนะจะได้จะเอาแบบแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอัลลอ์ลงโทษเพราะอายานนี้อธิบาชัดกามาอันซาลนาอลัลัมมุกตัสซีมินเรานี่นะจะอะไรนะ จะประทานจะลงโทษเขาแล้วนั้นทั้งอดีตและปัจจุบันคนที่ขัดขวางการเผยแพร่อิสลามหรือคนที่แบ่งแบ่งแยกแบ่งแยกนะครับแบ่งแยกเนี่ยคือแบ่งคือแบ่งแยกอธิบายอย่างนี้แบ่งเอาคูรอ่านชายเป็นบางอายะห์แล้วก็ไม่ใช้เป็นบางอายะห์ยกตัวอย่างกินดอกเบี้ย มุสลิมจำนวนไม่น้อยนะที่ยังอร่อยก็เรื่องดอกเบี้ยอยู่วันนี้มีเงินให้กู้ให้กู้ให้กู้ให้กู้ใช่ไมแล้วก็เดินเก็บมันไม่ต่างอะไรกับคนฝั่งนู้นใช่มนี่คนประเภทนี้ก็คือคนที่ปฏิเสธอายะ <S <S ยาอายุวัลล์ที่นอามนุลตะกูลละตะกลู ล, กลุริบาอับฟะมุดอาฟะเราสั่งเนอยกินดอกเบีย้ยเพิ่มเป็นทวีคูณ แตม่มุสลิมบางคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยก็เดินเก็บดอกเบี้ยกันอยู่เท่ากับปฏิเสธอายะนี้รวมไปถึงภรรยาเราที่ไม่คุมฮิ j าบเห็นไหมนะ่ะเท่ากับปฏิเสธอายะคูอ่านที่เราบอกให้ปิดให้หมดนะ่ะใช่ไหมนะ่ะเราก็เปิดนะ่ะนี่อ่ะระวังนะคนเหล่านี้เอลลาละว่าเราก็จะลงโทษพวกเขาเหมือนกันอัลลอฮ์ต้องนึกหนักท่า น, นเราต้องอ่านคูอ่านแล้วเข้าใจอัลลอฮ์อ่านอยายะนี้สอนเรานะ กามอัลจารนาอัลมุคตาซมีนักับอัลลาดิจัลลัลกุรอานาอิดีนการลงโทษเช่นนี้จะประสบแก่ผู้ที่จะอ่านอัลกุรอานที่ทำหมายถึงแบ่งแยกอัลกุรอานเป็นส่วนสอธิบายคำคำอายบนด้วยเหมือนกัน ฉะนั้นคนที่แบ่งคุรานเป็นส่วนๆนี่เอาล้อลงโทษไหมลงโทษฉะนั้นต้องการจะบอกว่าเวลารับศาสนาเนี่ยรับให้หมดนำมาด้วยบวชด้วยฮะยีด้วยกาลิมาเตวีด้วยใช่ไหมถ้าอีมานอีมานต่ออิรออิมานต่อรอซูอิมานต่อมาลายกาอิมานต่อคัมพีอิมานต่อวันอาคิรออิมานต่อกดกบลต้องอีมานให้หมดจะอีมานเป็นบางข้อไม่ได้ รอซูลก็เหมือนกันถ้าปฏิเสธ ร, รอซูลคนหนึ่งคนใดแบบพวกยโฮดีพวกนาฟอร์รเนี่ยนับถือนบีอีสาแต่ไม่นับถือนบีมุฮัมมัดอัลลอ์ก็ไม่พอใจแค่ได้เวลานับถือตวนับถือทั้งหมดอาของที่มาจากอัลลอ์ของดีทั้งหมดนะเอาต่อมาครับ ฟาวรับบิกาลา纳斯อัลลัหนาหุมอะจมัยน์ฟาวรับบิกาดังนั้นขอสาบานด้วยพระนามของพระผู้อาภิบาลของท่านตรงนี้เป็นความรู้อย่างนลยนะสาบานเนี่ยต้องสาบานกับอัลลอฮฺองเดียวที่พวกเราไปสาบานต่อกุรอานีา่สารนั่นก็ไม่ถูก แต่ไม่มีใครไปเตือนท่านสาบานต่ออัลลอฮ์องเดียวแต่อัลลอฮ์เนี่ยสาบานได้หมดอัลลอฮ์สาบานตั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนได้ไหมสาบานต่อชีวิตทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สาบานได้หมดเลยให้เราสนใจสนใจหลังจากสาบานอัลลอฮ์ก็กล่าวเอาเช่นสาบานต่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนต่อชีวิตเราบอกว่ากอดอัฟละฮามันรักกา พรรษาบาลตั้งเจ็ดรายการนะท่า น, นฟังให้ดีหลังจากสาบาลแล้วคนที่จะได้รับความสำเร็จก็คือคนที่ซักฟอกหัวใจตนเองให้สะอาดทำไงอย่ามีชีริกต่อหะอซักฟอกหัวใจให้สะอาดหมายความว่าอย่าทำชีริกเอาเวลาไปทำฮัดน่ะยู่สูบไปกี่ครั้งแล้วล่ะ ไ้อ่านตัวอานใช่ไหมลับาบกัอลลอฮุมมาละบายลับไบกัละชารีกัละกัละบาแปลว่าอะไรโอ้ล l l a h ฉันมาแล้วนะมาตามคำเชิญชวนเรียกร้องให้ฉันมาทำพาธฉันมาแล้วฉะนั้นมาแล้วเนี่ยละชารีกับละฉันจะไม่ทำพาคีฉันจะไม่ตั้งพาคีกับท่านเรื่องตะกุดเรื่องนูนเรื่องนี้เรื่อง โตะระยองโตนาโตะตะเกียฉันไม่ไปขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้อีกต่อไปไปพูดกับลอตรงนู้นน่ะเนี่พอกลับมาถึงบ้านเอาแล้วขับรถแต่ไปแล้วไปไ ป, ปล่อยเป็ดปล่อยไก่ไอตอนไปนะ่ะไปพูดกับลอว่าฉันจะไม่ทําชีริกเพราะไม่เข้าใจอิสลามใช่ไหมล่ะก็เพราะไม่เรียนนะฮัลลาให้นศาสน า, าลอไปลองเห็นอย่างเห็นไหมลงทุนตั้งแสนเจ็ด สองแสนกลับมาทำบาปอีกอัลลอฮะด้สตังห์นะฝ่าวรบบีกะละนัสอลันนหุมอัจมาอนดังนั้นขอสาบานด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของท่านละนัสอาลันนหุมแน่นอนเราจะถามสาอล่าเลยนัสอลันเราจะถามถามจนได้มาดึงไต่สวนเราจะสอบ พวกเขาเหล่านั้นอาจิมาอินทั้งหมดทุกคนฟื้นเท่าไรตายเท่าไหรฟื้นทั้งหมดอัลลอฮ์สอบทุกคนเป็นว่างนึกภาพวันเกียมาซี่สอบทีละคนละคนน่ะก่จะมาถึงเราในกะี่กี่พันปีอันึกภาพนึกภาพโลกอาคิรอดอาคิรอดดวงอาทิตย์ห่างกับหัวเราหนึ่งไมล์ตอนนี้เท่าไหร่ เก้าเก้าเก้าวารให้เก้าสิบสามล้านไม้ใช่ไหมนะนี่ยังบนว่ารอเลยน่ะดีดีอัลลอฮ์ให้ฝนตกเนี่แล้วก็ควงหางจากหัวหางจากศีรษะ ล, อละอะไรนั้นหนึ่งไม้จะไม่รอดมากกว่า น, นี้หรอแค่นั้นคนที่เย็นวันนั้นก็คือคนที่มีเนี่ยมีอิสลามมีอีมานมีกัลิมัตเตาะฮิดหลอมอยูกับอัลลอฮ์นะวันนั้นปลอดภัยหมดเลยนะครับอลัลลอฮ์ถามทุกคนนะถามอย่างนี้ ทั้งหมดมีอยู่เจ็ดเจ็ดบาเดนที่อัลลอฮจะถามถามเรื่องการิมาตอฮีตก่อนเลยรู้จักอัลลอฮฺเปล่าแล้วรู้จักอัลลอฮฺยังไงตอบได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่ปากตอบงานนี่อามั่นมันตอบน ะ, ะงานงานที่สองคุณอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยคุณเอาวัตถุมาหลอกตัวเองทำไมคุณเอาบ้านมาหลอกคุณคุณเอาที่ดินมาหลอกคุณคุณเอาชื่อตาแหน่งเกียรติยศมาหลอกคุณ ให้ออกห่างจากเอาล่ะทำไมฉันให้กุรอานมาให้มฮัมหมัดมาอย่างอายาที่อ่านมาอายาเจอะไรนะอายที่แปดสิบแปดนะาานะใช่ไหมน่ะท่านบอกแล้วนะอย่าอายะไปมองไอ้ความสุขความสบายชั่วเล่นและไปหลงอยู่มันทำไมบางคนอหาที่ดินห้าสิบตารางวานันยี่สิบปีขาดนามาดมาตลอดนะขาดทุนก็ได้กำไรเนาะยี่สิบปีอะ อยู่ก็ของฮารามฮารามฮามรามได้ที่ดินมาห้าสิบตารางวาบ้านหนึ่งหลังโทรศัพท์หนึ่งเครื่องพระยาหนึ่งคนลูกเจ็ดขาดามามายี่สิบปีนี่มัตตานะอาอัลลอ์ให้ให้คนฝั่งนั้นมีอะไรบ้างเล็กน้อยในคุงอานอธิบายอีกนะถ้าฉันไม่กลัวคนฝั่งคนนี้จะไหลไปอยู่ฝั่งขนู้นนะฉันจะให้บ้านคนกาเฟทําด้วยทองในกระพีกุู่ลกระไ แต่สงสารกลัวคนฝั่ง น, นี้จะไหลไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดท <c oughs> นี้เป็นต้นใช่ไหมบันไดทําด้วยทองหลังคาบ้านทําด้วยทองก็ทําไปสกี่วันอะ่ะเพราะมันวันหมดอายุทั้งหมดมีทองมีทองเป็นหลังคาบ้านเป็นทองก็หมดอายุบันไดทําด้วยทองก็หมดอายุอ่านสุรฟาติฮานนามาตไม่หมดอายุจะเอาอยัางไง ถ้าเข้าใจอย่างนี้โอ้อยากน้ำมาอยากรู้กูอยากจะสู้หยดดูขึ้นนมาต่หันหยุดใช่ไห้เพราะเราเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตอนนี้น้อยไม่เจอเลยนี่บัตรมุสลิมคนฝังกันโน่นไอคนฝังกนนี่จะทําตัวเป็นคนฝังกันโน น, น, น, น, น, นข้อที่สามมาล้อถามว่าความรู้ที่ฉันได้ประทานให้กับคุณคุณเอาไปทําอะไรความรู้ให้อิสลามอิสลามเอาไปทําอะไร ร่างอย่าลืมนะความรู้อิสลามคือความรู้ถ้าไม่เรียนไม่รู้อ๋อแค่อ้ามหน้าหนามาลองไม่เรียนเนี่ยก็อ้ามหนามาไม่เป็นอ่ะแค่ยืนหมามเห็นไหมเนี่ยแค่วางเท้าหมามเนี่ยคนเรียนนี่นะจะยืนเท้าอย่างงี้คนไม่เรียนจะแบกอย่างงี้สังเกตเลพวกคุณแขกเราเนี่ยแหละยืนหมามในซอฟเนี่ยนะคนเรียนจะตั้งเท้าอย่างนี้เลยตรงจิบลัด ไอ้คนไม่เรียนจะแบะไปทางอเมริกากับยุโรปโอ้สังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆคนเรียนกับไม่เรียนต่างกันอันนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับข้อที่สี่ถามว่าเงินของท่านออามาจากไหนอ่ะแล้วคุณจ่ายยังไงอ่ะแต่พันเกียร์มาเราถามนะแล้วก็ถามอีกแม่แต่ยาตาที่คุณทาเนี่ยทาทายาตานะสวยไม่สวยพระญาอนะบีสั่งให้พระญาทายาตา ก่อนตอนจะนอนตื่นชาคนมาตามคมมองดูสาวามีราคาแต่มันสวยขึ้นให้พญาแต่งตัวให้พญาใส่น้ำหอมก่อนนอนผู้ชายมจะได้กคึกคักว่างท่านสายยาวมองแทนเอา้าเจ้านี่พอเข้าไปแล้วก็เม็นไปหมดเลยเออย่างนี้ไปต้นนะครับออาตกลงว่าอัลลอฮจะถามความสุขทั้งหมดนะที่เราได้รับบนโลกดุนยาอัลลอฮจะถามละไรนั้นล ะ, ล ะ, ละนัสอัลันนาฮ เราจะสอบสวนคุณแน่ๆทั้งหมดทุกคนอันต้องนึกเลยสรุปง่ายๆก็คือว่าเรานี่มีมีสอ ง, สองรนนะสองสารสารดุญยานี่ใครมีเส้นมีพวกคอนหลุดแต่สารนู้นไม่ต้องห่วงเส้นอย่างเดียวคือเส้นอัลลอฮ์แเส้นอีมานอนนั่นคือจะปลอดถ้าไม่มีเส้นนี้หมดสิทธิ์นะครับเอาต่อมากันอยายะที่93สฟัสดา บิมาตุอุมรว่าอาริฎ عن المشركين อัลลอฮฺ Allah สั่งนบีมูฮัมมัดหลังจากเข้มแข็งแล้วหลังจากย้ายอพยพไปอยู่ที่นครมดีนาแล้วอัลลอฮฺสั่งว่าวัดฟัสดาดังนั้นจงประกาศอิสลามโดยเปิดเผยเมื่อก่อนนี้นบีมูฮัมมัดนามาดก่อลับๆแอบๆอบนามาด มาวันนี้ให้นมาตดดำๆได้แล้วนามายกลางคืนอันเสียงดำไปเลยไม่ต้องเกรงใครแล้วเพราะเราเข้มแข็งแล้วเห็ไมเหตุนันเห็นไห ม, หหไหมฟาสดาอัลลอฮ์าสาั่งนาจงประกาศอิสลามโดยเปิดเผยหมายว่าว่าไม่ต้องไปเกรงใจใครแล้วพูดไปเลยวันนี้ฮัมดุลิลละประกาศาศาสนาผ่านทีวีฮัมดุลิลละไม่ต้องเกรงใจใครแต่อย่าด่าคนอื่นไม่ได้นะ นะครับแล้วต่อมาครับบิมาตูอมุมะตามที่ท่านถูกบัญชานี่อัลลอฮ์สั่งนบีท่า น, นคนนี้อ่านกรุรานะยะนี้ก็ต้องเอาอิสลามที่มีอยู่นี้ไปเผยแพ่ต่อตามที่ท่านถูกสั่งถูกบัญชาว่าอารีตอานินมุสลิกีและจงหันห่างออกห่างจากพวกบูชาเจเวต ท, ที่รังแกท่านห่วงเล็บด้วยนะ คนมุสริกที่ไม่เอาศาสนาที่ไม่รังแกเรามีไหมมีบางกลุ่มไม่เอาศาสนาแต่รังแกมีไหมมีนี่อลัลลอฮ์สั่งนะคนที่รังแกท่านทําตัวยังไงเมื่อเราถูกรังแกนี่นะอลัลลอฮ์สั่งหัอาลีตว่าเมินไปอย่าไปสนใจนะเดินห่างๆไปนี่ไม่ไม่ได้สั่งให้จัดการทะเลาะ ก, กันนะ ให้รักษามารยาทเราให้สง่างามพี่น้องมุสลิมเอ๋ยนบีมุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกประชาชนของท่านอุมมะของท่านเวลาถูกรังแกเนี่ยไม่ท้องไปยืนทะเลาะกันตีกันฆ่ากันไม่เอา้า ถ, ถอยมาอาลัลลอฮ์ขนาดคนที่ขวางนาบีมุฮัมมัดมีอยู่ห้าคนอลัลลอฮ์จะจัดการใช่ไหมล่ะฉะนั้นวันนี้ใครที่ขวางอิสลามนะมีชื่ออยู่ในบัญชีอลัลลอฮ์หมดนะ จะเล่นงานเมื่อรัยแคานั้นเองสําหรับพี่น้องคนทํางานศาสนาเนี่ยเวลาถูกถูกรังแกเนี่ยที่อลัลลอฮ์สั่งให้เราไปจิฮัดยตัวอย่างจิฮัดแต่นานๆนจะสั่งจิฮัดทีนะส่วนอยากจะให้ถอยถอยถอยถอยถอ ย, ถอ ย, ถอยพอสั่งจีฮาดปั๊บเนี่ยอลัลลอฮ์ให้เอะด้านลาุสไนยายนี่ทั้งสองอย่างดีหมดเลยดีอะไรบ้างถ้าออกสงครามเกิดตายได้ไปสวรรค์ถ้าอยู่ยึดซั์ เป็นของเราหมดเลยถ้าหากตายไปไหนไปสวรรค์ตายชฉเนี่ยถ้าหากว่าชนะละโอโลัลลอหได้ยึดนุนยึดเนี่ยได้เผยแร่อิสลามได้เนือยต่อไปอีกฉะนั้นเรื่องการทำงานศาสนาไม่มีคำว่าขาดทุนไม่มีมิตรกำไรกำไรกำไรกาไรกาไรเพราะเราพิงใครยืนพิงอัลลอฮอยู่วันนี้นะครับขอให้พิงด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ เอาต่อมาครับเาลาต้องการจะบอกกับมุฮัมมัดเอทำงานาศาสนาไปเถอะเราแล้วก็อย่าไปโต้อตอบคือคนฝังขนุนเนี่ยรังแกเรารังแกมุสลิมใชายมารยาตอย่างไรเราในภาษาอุรดูอธิบายดีอย่าเอานิสัยอัรคระของคนกาเฟตมาใช้ในกลุ่มเราเช่นเขาเป็นคนที่นะอย่างนี้พวกฮินดูในประเทศอินเดีย ที่ไปรื้อมัสยิดบาบารีนั่งรถไฟมาเนี่ยท่าทางโอหังมีอาวุธแล้วก็มากระโดดกันอะไรกันไปทำลายมัสยิดของอัลลอฮ์ท่านมุสลิมอยู่เฉยๆปล่อยมันทำลายไปใช่ไหมอันละเก็สู้กันในในศาลอยู่แล้วต่อมาหลังนั้นอีกสามปีอะไรมันเกิดขึ้นหมู่บ้านที่รัฐบาลส่งคนจนจัด นั่งรถไฟไปทำลายมัสยิดบาบารีเนี่ยอีกสามปีต่อมาเมืองนั่นทั้งเมืองเป็นเมืองผลิตยานะยาทั้งหมดนะ่ผลิตจากเมืองนี้คนตรงนั้นเป็นกาลาโรคเพราะหนูตัวเดียวและพวกนี้หนีออกจากหมู่บ้านนั้นไปตายที่อื่นหมดเลยไอ้แม่นี่อารอดลงโทษในเห็นอนะ่ะแค่นั้น หมู่บ้านนั้นที่มีเสียงอัลลอฮฺวรบรที่เขียนว่าบิสมิลลาห์อยู่หน้าบ้านคนในบ้านนั้นปลอดภยัยไม่ปีกละโรคเลยฉะนั้นมัสยิดที่ฮินดูมันสั่งว่ามึงอย่าอาญาณนะพวกเราในห้าบาอาจารปิดอาญาณมาเป็น10บสิบปีนะพอกลารโรคมาเฮ้ยมึงมัาอาญาณเธอมันอาญาณเธอพออาญาณพอเสียงอาญาณมาแต่กลารโรคมันก็หายนะเห็นยัง นี่ใ น, นอินเดียอัลลอฮ์ให้เห็นจังเยอะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์าสาั่งนางกะเพรากุอานไปว่าเวลาคนฮินดูหรือคนมุสลิฝั่งกัณนนนั์แกมุสลิมเนี่ยอย่าเอานิสัยของพวกเขามาทำร้ายพวกเขาให้ถอยห่างแล้วก็ทำหน้าที่เราต่อไปเห็มัหมถอยห่างอเอาต่อมาครับอย่าไปเอาคาพูดของเขามาพิจารณาอย่าไปเอาท่าทางของเขามาพิจารณา แต่อะไรนะอัลลอฮฺจะดูแลเองจะจัดการเองนะครับเอาต่อมาครับอินนาคาไฟนา卡尔มุสตาฮีอินอินนาคาไฟนาั尔มุสตาฮีอินแท้จริงเราเราได้ช่วยให้สูเจ้าคาไฟนาก็ช่วยให้สูเจ้ามีกําลังเพียงพอที่จะอะไรนะ อัลมุสตาซีนที่ต่อต้านพวกเยอ่หยันมุสตาซีนคนที่เยอ่หยันฉะนั้นคนที่เยอหยันเนี่ยนะอัลลอฮฺให้อำนาจกับมุฮัมมัดให้อำนาจกับคนมุสลิมสามารถต่อกอนกับพวกเขาได้ใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปแสดงอาการวดฉันโอ้เก่งเก่งเก่งเก่งใช่ไหมโดยเอานิสัยอักษรของคนฝั่งคนน้นเนี่ยเอามาใช้ฝั่งคนนี้อย่าเอามา ให้มอง น, นึกถึงบรรดาซอฮบานาบีบรรดาซอดาบานบี ถ, ถูกถูกรังแกอย่างใครบีลานถูกรังแกใช่ไหมละ่ะลากบนหินใช่ไหมหินร้อนหรือหินเย็นหินร้อนกลางวันหรือกลางคืนกลางวันอย่าลืมนะอย่าลืมนะไอข้ขาว่าร้อนในเมืองไทยก็ร้อนในซาอุดีน่นมันต่าง ก, กันนะถามว่าบีลานทิ้งอัลลอฮ์ไหมไม่ทิ้งอะ่ะยังพูดว่า ฉันยืนยันในอัลลอฮ์อง์เดียวอาหัดอหัดอหัดอา้ดอามันมาดูรางวัลนบีขึ้นเมียอรอดพอขึ้นเมีอรอดพอลงมาเนี่ยพอเห็นหน้าไซดินาบิลานบีวกบิลามันนี่ฉันเข้าไปในสวรรค์น่ยฉันได้ยินรองเท้าคอชคอชาตากาเสียงเดินรองเท้าของท่านในสวนสวรรค์ น บ, บีพูดเลยมอมะอายัยบิลามันมนี่มานี่มานี่คุณทําอะไรไว้หรือฉันได้ยินน่ะเสียงรองเทา้าคุณเดินนําหน้าฉันในสวนสวรรค์แสดงว่าเข้าสวรรค์ก่อนใครกอตาบีมอมะมัดก็เพราะนี่ไงอดทนอยู่กับศาสนานี่แหละเห็นไหมถูกทรมานถูกรังแกถูกแก่เป็นไงไม่ เ, เคยโต้ตอบสักคำหนึ่งแต่ผลสุดท้ายท่านอบูบากาไปซื้อให้เป็น แล้วก็ปลดปล่อยให้เป็นไทยแล้วนบีมาแต่งตั้งให้เป็นมูอัลวินคนอาจารสูงที่สุดตําแหน่งนี้ใหญ่กว่าสส อ, อีกใหญ่ยยกว่าสว อ, อีกแต่เรามองข้ามกันนะเรามองว่าบิลันจะมีอะไรที่ไหนได้ตําแหน่งสูงที่เป็นเนี้อมัดที่มองไม่เห็นด้วยสายตามันมองมเห็นด้วยด้วยตาใจนั่นเองดังนั้นพี่น้อง คนที่อาจารติดต่อกันสิบสองปีรอเข้าสวรรค์อย่างเดียวแต่ว่างานนี้เงินเดือนไม่มีเงินเดือนใช่ไหมคนเก็บโซรากวาดโซราวลอว่าเรามองดูไม่มีค่าในสายตาของคนทั่วไปแต่มันเป็นนิ้อมัติที่มองไม่เห็นด้วยตานะครับเอาต่อมาครับฟาซากฟีกะฮุมุลลอ ฟาซา雅ตฟีกาหูมุลลอนี่อลลออธิบายอายะอื่นนะอัลลอฮ์จะทรงทําให้ท่านเพียงพอสูเจ้าต่อความชั่วของภกเขาคือพวกเขาย่ะเยยนนบีสายไรยนบีอัลลอฮ์จัดการหมดไม่ต้องไปห่วงนะถึงแม้ว่าท่านแก้กเอาชนะเขาไม่ได้ด้วยสายตาของมนุษย์วันนี้ แต่อัลลอ์ก็จัดการเล่นงานกับคนที่เป็นศัตรูกับนาบีมุฮัมมัดที่อธิบายเมื่อกี้มีอยู่หคนนะ่ะเป็นหัวหน้าบิกบ๊กๆหมดเลยนะนะมีวะลีม Ask Me, ดมีอัลมีอาดีมีอัสวัดมีอัสวัดมีสองคนนะครับอย่าลืมนะมนาบีมุฮัมมัด น, นะถูกถูกอะไรนะถูกรังแกสองด้านนะด้านร่างกายกับด้านหัวใจเราเนี่ยถูกใส่ร้าย ถูกรังแกส่วนใหญ่ก็วันนี้ก็ด้านอะไรนะด้านหัวใจอ้าวเดินประท้วงมุฮัมมัดอะไรเนี่ยอะไรนะใส่รายอิสลามใช่ไหมนะก็ด้านหัวใจด้านร่างกายเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ถูกรังแกแต่มุฮัมมัดดันถูกทั้งสองนะถูกทั้งร่างกายแล้วก็ถูกทั้งคําสอนที่อับบีนํามาก็ถูกรังแกด้วยเหมือนกันแต่นี่เป็นตัวหนักกว่าเราตั้งเยอะ บรรดาซอบ้านนบีหนักกว่าเราต้องเยอะนะหมดเวลาอย่างเนี้ยอตอมาแคพยาติก้าสิบุอัลลอฮนัยยะจัลูนามะอัลลฮิลาฮันอัครฟาซูฟายะเลมุนอัลลอฮนยะจัลูนะและบรรดาผู้ที่ตั้งพระเจ้าอื่น เคียงคู่กับอัลลอฮฺฟาเซฟยาละมูลดังนั้นในไม่ช้าพวกเขาจะรู้โอ้เห็นไหคนที่เคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮฺโทษมีแน่ๆฟาเซฟยาละมูลเซฟฟาแปลว่าในอนาคตอันไกลหมายถึงตายแล้วนะคุณจะเห็นการลงโทษเลยว่า โทษของคนที่ไม่เอาศาสนานั้นเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่อลัลลอฮฺจะลงโทษตอนตายคนไม่เอาศาสนาถูกตอนตายทรมานสุดๆทรมานอลัลลอฮฺอย่าไปเอาเลยเอาศาสนาดีกว่าอยู่กับอลัลลอฮฺอยู่กับนบีดีกว่าเพราะว่าตอนตายจะไม่ถูกทรมานแต่ถ้าหาว่าใครถูกทรมานตอนตายนะอลัลลอฮฺลดโทษ ด, ด้วยแต่คนฝังขานุนไม่มีคําวันลดโทษ นะครับว่าผูอ้อานอายา น, นี้ชี้ชัดนะครับหนึ่งอัลลอฮฺจะขู่ให้มอลิก้ามาขู่แล้วก็มารุนแรงแล้วก็มาขู่คุณจะได้โทษอย่างงั้นอยังงั้นยังงั้นยังยงั้งนตอนตายมาดูคนที่เป็นมุสมินตอนตายอ่ะอัลลอฮฺให้มอ ล, ลิก้ามาเชิญวิญญาณว่างไงนะอย่าอายาตุฮันนับซุลมุตมาอินนะโอ้หัวใจที่สงบเอ๋ยเ<ม>ห็นไหมมองที่หัวใจไม่จะมองที่ร่าง ใจที่สงบเอ่ออิริยายลา ร, รอบบิคิรบิยะตัมมารุมิยะมาออกมาออกมาไปสู่ความปิติความยินดีความพึงพอใจของอัลลอฮฺฟาดฮุลีฟิอิบาดีออกมาไปอยู่ในกลุ่มนะครับเข้าไปอยู่ในอะไรเนี่ยบ่าวของฉันคนดีๆทั้งหลายวัดฮุลียันนาตีแล้วก็จงเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของฉันนี่เป็นคําเชิญชวนของมาลาอิกะ ที่มาเอาวิญญาณคนดีก่อนตายและไอคนชั่วล่ะก็ตรงกันข้ามภาษาเพราะๆอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่ตรมึงออกมาดิจัด ก, การมาึงนะเราเราก็กลัววิญญาณก็กลัวนี่ดีแล้วเอาต่อมาครับอายะที่97ว่าเราก็จะน่ารู้ว่าไงกูรู้โดยแน่นอนยิ่งเรารู้ นะอัลลอฮ์นี่รู้อันนากายาดีก็ซอดดรุกะหัวอกของท่านเนี่ยอึดอัดยาดีกแปลว่าอึดอัดซอดดรุ ก, กะแปลว่าหัวใจหรือหัวอกหัวอกของนบีมหฮัมมัดนี่นะอึดอัดมนมองบีมายากลูนต่อที่พวกเขากล่าว ต่อที่คนฝังคานุนพูดเยอะเยะยะปฏิเสธขัดขวางกุรอานขัดขวางสุนนะานาบีคำสอนของนบีอลัลลอ์รู้ไาว่านาบีอุนอัดอุนอัดไม่รู้อลัลลอ์รู้แล้วทำไงทำไงไปยืนด่าเขาเลยเปล่าเลยไม่ได้สั่งเลยสั่งอย่างนี้ฟาซับเบิหดังนั้นมุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวสดุดี บีหัมดีรอ บ, บิกด้วยการสารรเสริญเพื่อผู้อภิบาลของท่านเห็นไหมไม่ได้ให้ไปต่อต้านไปยืนดาเหมือนคนฝังขนูน้นแต่ให้ทำไงให้เปลีกตัวออกมาแล้วมาทำอะไรมาสารรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ทำอะไรต่อไปอีกวะกุมมินัสจีดีและจงร่วมอยู่ร่วมกับหมู่ผู้ก้มล้มกราบนมาดเลย ด้านอาย่านี้ไหนไปน้องนบีของเราสอนดีนะสอนบ้านนบีนำไปปฏิบัติหมดเมื่อเวลามีความอึดอัดใจกุ้มอกกุ้มใจไม่สบายใจให้รีบเข้ามาอัลลอฮ์ไปแปรงฟันอาบน้ำนมาดนี่ยิงอย่างซบโบโวยอย่างเงี้ยเนี่ยนมาดดูฮานี่เก็บเอาไว้เลยศรระก้อนนี่จำเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงนมาดสี่ระก้พอทั้งวันเลย ไอไมอัลลอฮฺว่าก็บทีขจัดความทุกข์วิธีขจัดความลําบากวิธีขจัดความอึดอัดใจให้ทําง่ายให้ทำสองอย่างหนึ่งให้ทําความดีให้ต่ออัลลอฮฺสองให้สู้อยู่ต่ออัลลอฮฺให้อิบัต้าต่ออัลลอฮฺไม่มีอย่างอื่นคับแล้วก็นบีทํำไหมนบีทําและปลอดภัยไหมปลอดภยัยสอ บ, บาล น, นาบีทํำไหมทําปลอดภัยไหมปลอดภยัยนะ่า บุคคลในอดีตเขาทำกันไว้แล้วปลอดภัยหมดเลยครับถ้าตายก็ตายเิตอ่านดูหะดีสนะครับอักรอบุมายาคนุลอับดมิรรบบิฮิวะหุวาซาจิดุนช่วงไหนที่อยู่ใกล้อลลอฮ์มากที่สุดตอนสุญูดช่วงสุญูดเนี่ยในฮะดิสอธิบายนาบีอธิบายเองนะ อักรอบบูมายากู้นุลาอเบาที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอ์มากที่สุดก็คือวะฮูวาซาจิดุนตอนสูดูดนมาเยอะๆบอกลูกนำมาเยอะๆพ่อช่วยให้เข้าสวรรค์ไม่ได้แต่ช่วยสร้างบ้านให้นะได้ซื้อรถให้ลูกได้ซื้อทองให้ใส่เนี่ยได้ พาไปเที่ยวสะคงซีอนซื้ออาหารใด้กินได้แต่จะเอาจะเอาสวรร์ลูกทำเองพ่อช่วยไม่ได้นี่เป็นตอนอาต่อมาครับต่อการอธิบายอย่างนี้อั ด, ดุญยาเนี่ยโลกดุญยาใบนี้เขาเรียกว่าดารุลามันโลกแห่งการทำงานนะวลาจาะจะผลตอบแทนรางวัลยังไม่มีไอ้ที่ได้ได้นี่มันมันเป็นอะไรนะ่ะ มันเป็นงานที่อัลลอฮฺให้อยู่แล้วให้ออกซิเจนมาอากาศมาแผ่นดินมาให้ฝนตกให้เย็นให้ร้อนให้หนาวให้มีอาหารกินอันนี้มันคนฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ได้พอกันนั่นแหละฉะนั้นความดีที่ทาไหนะอย่าไปหวังว่าแล้วอะไรอยู่ที่หนอะไรสังวัรอยู่ไหนนบีสอนเลยนะอัดุลยาด้าดุลละมันโลกดุลย์าเปนี้โลกแห่งการทํางานส่วนโลกอาคี้ร้อ อาคิร่าเริ่มมาแต่เมื่อไรเริ่มต ว, วันตายอ่ะพอวิญญาณออกจากร่างภาพโลกอาคิร่ามาดาดุจจัจจโลกแห่งการรับรางวัลมันต้องไปทํางานแล้วเหนื่อยเพราะทํางานมาเหนื่อยแลว้วตื่นมาสุบู์เหนื่อยไหมเหนื่อยเยอะอายุเยอะๆเจ็ดสิบนำมาตรฐานยุดเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่านคุณอานเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไอ้ตอนนุมไม่ได้ทําอ่ะมาทํามาตอนแก่ แกขยับนิดยังก็เหนื่อยแล้วฉะนั้นรางวัลตรงนี้มีหลังตายนะครับเอาต่อมากับคนที่ตกนรกเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่นามาดคนที่ตกนรกคนที่ไม่ดูแลคนยากคนจนคนที่ตกนรกก็คือคนที่ชอบคุยเรื่องของคนอื่นก็ตั้งวงก็คนนั้นคนนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคุยทําไมเรื่องของคนอื่นคุยเรื่องของเราที่เราเร็วยังไงบ้างดูสิ อาทิตย์ที่แล้วกูอ่านไปนอ่านเลยสักอายาหนึง่งมันน่าจะว่าเวลาเป็นคนเลวกับยังมองว่าฉันแจล่อยู่เลยอะไรต้องมองตัวเองทัำอ า, าทิตย์และวกูอ่านไม่ได้เปิดสุบโบก็มาได้มาสูา่เราอ้าวฉันนี่มันเลวจริงๆอ่ะวันจันทร์วันพฤหัสเขาถือสินอดกันเต็มไปหมดเนี่ยแกแปลนี้แล้วยังไม่คิดกลับเนื่องกับตัวยังหรือต้องนึกอ่ะอาจะไปมองคนอื่นอายาสุดท้ายนะครับ วางบุตรรับบักหัตถายาติยากรยากรินจงเคารพภักดีพระผู้อาภีบาลของสูเจ้ากี่วันหัตตายาติยากรยากินจนกว่าจะได้มายัางท่านซึ่งความตายเห็นไหมต้องทำจนกว่าจะตายเลยนะ ค, นนคนฟังกันนี่เห็นไหมคนฟังกันโน้มกินเล่าจนกว่าจะตาย นั่งเล่นไพ่จนกว่าจะตายทําดีนาจนหมดแรงทําดีนาไม่ไหวที่เลิกนะเพราะแรงมันหมดหลั mm hmm. งแล้วเงินเยอะทําไปดีดีนาแต่คนฟังกันนี่แหละอ๋อเรียนกุรุรอจนกว่าจะตายอ่านครอ่านจนกว่าจะตายนามาจนกว่าจะตายติดต่อญาติพ่อแม่ดูแลจนกว่าจะตายนึกทอนเยผยแพ่อิสลามจนกว่าจะตายงานดาวะเป็นงานใหญ่สําหรับพวกเราทุกคนจนกว่าจะตาย เลอกทํามพอสมุมดใน ม, มีรางวัลพอตายพระอัลลอฮฺผลและบุญมาเต็มเลยจะลองว่าอย่าไปเอานิสัยคนฝังอนุนมาใชา้เขาทำร้ายนาบีอย่างไรเราอย่าไปทําร้ายใครอย่างนาี้มีอยู่ห้าคนที่ผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมที่เล่นงานนาบีอัลลอฮฺเก็บเรียบหมดตายง่ายๆน้ําตามตายคิดดูสิ รอแค่น้ำตามยังตายอ่ะกิ่งไม้ร่วงลงมาจากบนต้นไม้มาถูกศีรษะบวมตายอ่ะคิดดูสิมันน่าตายที่ไหนล่ะอ่าตอนนี้ภาคภูราวันนี้ตายดีนะไม่ทรมานใครบอกคุณเก็บไข้ใจป่วนนานๆนะตายดีนะลดโทษลดโทษลดโทษลดโทษอยางนี้เป็นตนเอาแล้วก็บระหารโดยเร็วจบนะจบอะไรนะจบสุรา อะไรเจทั้งหมด 9.9 ข้อด้วยกันอะไรห้มโุนเลสรุปสั้นๆก็คือว่าทำความดีเนี่ยต้องทำเท่าที่มีความสามารถยืนนมาศไม่ไหวฟาอิลลัมตาสปาเซียฟอกออเดนถ้ายืนไม่ได้ให้นั่งนมาศท่านนั่งไม่ได้ให้นอนตะแคงนะไม่ใช่นอนงายนะให้นอนตะแคงนมาศถ้าตะแคงไม่ไหวก็นอนงายนมาศนะครับสุขภานกักบวชคุ้มมาผมบะหมดีกว أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته